ธรรสการฝากธีลันเทลทีล่ทีราได้จะน่าจานทุกัารต่อสัทชาตรงสงฆ์จำเนินภูมากพฤปฏิบททัติธรรมวงกนเจะเล่นุกอยาดย้อมผูไข่ในธรรมพื่อใส่าชายฝ่ายหญิงมนีเข้ากิดดิ่งฟังแถมท่ายอีกอะไะแบบนี้ก็พอเชิญยม่งพอยุ่เมีย อาัปีทุกคนเป็พระงสงฆ์นนี้คือกันฟัง่งนิทไถเพราะว่าทิ้งบันสีอัมาผ้าจากันสีกระบาลกับช่องกับทุทกู่มาทุกคู่กินฐานบานันใช้บานมัน่นหองมือเจ็ดมือมาปะเพ ร, ริถมาหาซินเดียวกันข้าเป็นยาตะจีข้าวบดแกว้วข้าเป็นญาตะกอนข้านัดแบบคนแขกแขกจอมจอ คนบกวงคนบกขวงญาติมิจัแต่คนในเครือวงผู้ใดเป็นนาเป็นอาเป็นป่าเป็นลุ่งเป็นนองเป็นนงรู้จักบารมีญาติของข้าพุทธเจ้า ก, ก่วงขวงออกไปในฐานะที่เป็นผููมิทุกข้างใจทุกท้างกายแสดงหาทรามสิ่งเรื่องพนบารนีเกณฑ์มือเข้ามาอยู่วงวมกันแต่มารับหลักการหรือวิธีการเรื่องควมรู ควาวยหูกล้วฉลาดในถ้ำเอาไปใชยย่ยุทูบเมือ่อถึงกลัวว่าชีวิตของเฮาสีลุดลวนสิคูสคสคูสีห่วงสิไปจากโลกบ้านนี้มอนิออก็เป็นเมื่อกับานคันเสียงนีอดังไปหวอดผู้อยู่เย้าเผ่าเฮื่อไก่ถือว่ามือเดอร์มือผัวมงพอสิพอยเตี่ยแต่ชุนลือเท่าเทาเออกไป ว่มันปล่อยไปเพื่ผ่านเจากายเึ็งกลางดอกให้เป็นแบบให้เป็นยางมานี้ผู้ยุ่ยาอด่อบ่านที่กันต้องตัดลาพระออกไปจากที่นี่รับการชึกมฝนแล้วบ่มีประกาศนิยบัตรให้สันิม้าให้น่นจะเป็นการยกยอกฝ่อปัอน่นเปโลกระท่อมเพราะว่าควาวเป็นพระมันอยู่ที่ใจ ใหเขาเห็นคุน้มเป็นพระรักษากว้มเป็นพระให้มันดีถ้าพูะใดรักษากว้มเป็นพระผู้นั้นกลับไปพื้นถ้ำมันนึงหันเพ่นยังเวา่านการสวดไม่ยกจบสัพพะปาปะชะอัการานังการไม่ทำบาทั้งปวงกุศลสูบปะสมประธาการยังกุศลให้ถึงพร้อมเวาถ้ำสองข้อเป็นสีระถ้ำละชัวประพื้ดีแหละละชัว การท่านตัวท่า่ายการท่านตัวท่างวหวจ่ามีเป็นสิ่งสังคมขันเย็นการท่านตัวท่างใจอีกบวชิตบวนึกให้โทษผู้อื่นจองกรรมจองเว้นกันหรืออาฆาตมาดไล่ผูกคิดผูกใจไว้ยยาหมั่นพ่องเขาทำให้เจ็บแฉ่งให้เน่านื่มให้แสบให้ปวดล่าระบบ ให้ใจเข้ากับผูกไว้ส่วนมาแต่จิตตกรมาผูกไว้การผูกอาการมาลายในอารมณ์บ่ได้เอา เ, อเอาขี่ยต่อเท้าบ่ได้เอาป่ออัดโเพราะว่าอารมณ์เป็นกิเลสช น, นี้หนึ่งอารมณ์เป็นหน้ามาทำบ่มีตัวบ่วมีตนพอเข้ามาศาึกษาธรรมะเข้ามาเพิ่มตาตานี่เพิ่มได้ส่วนตาเนื้อเพิ่มบ่ได้กระเทานี้ละ่ะมีคนละหน่วยสองหน่วยอืก็สิว่าคนละไง หาบางท่านอาศิเสียจะซูไปเพิ่มเงินกาหนึงไปแหลกกระมี really ่ก็ได้เสื้อตาปัญญาเขาเพิ่มซะแต่ปัญญาเป็นเครื่องมือชำระต่อผนผดเปลืองมุ่นทิ้นทางใจหาเดินไปเดินมาอันใดนั้นขวงทางอันใดเจ๊กะเจียงก่างเขาเห็นเสื้อตาเนื่อเขาแยงไปแยงมาเขาเบิ่งทางมันเป็นลุ่มเป็นบ่อบทางผ่านเห็นทางเป็นลุ่มเป็นบ่อเขากระลีกระเว้น นี่แล้วการรีการเว่นนี่ก็เป็นการประพฤติในในขณะเดียดกั่วย า, างลงทงยางออกให้ออกหน้ายางเข่าป้าเข่าดงเต่หัวไปสวนเขาจะต้องมีตาเนี่ยค่อยละมันระว่างพ่โตกลุมพ่อโตกล่องพ่อโคน่นพ่อขอนแต่ขามพ่อห่วยพ่อ น, น้องบอกพ่อสีเก้าถามก็เว่นนั่นสิเว่นนี่เขาเอาิเอ้อนเขาก็เรียกว่าปิ้นย่เองเนี่ ปหาณะปริญญาปหานะแต่ว่าเวเีนนี่โบมีนขากันปะหาณะปริญญาคือเวีนไม่ได้การคมมูอคมมีดชื่อกันเท่กากัเบิง้งจะละให้เกิดเควื่ฉลาดการอยู่การกินการพบการชั้นการให้เกิดเครื่องฉลาดดี่เลื่องวัตถุแท้มดอกเรื่องนอกๆสะพาปะาปลาตะเฮาเล่ากันง่ายๆสะพ้าปลาปลาตะระรนั้นหมายถึงพอเมีนเลิกใหม่ๆละใหม่ๆ แล้วก็รยัง่งอะไลอลอารมณ์เก่าๆอยู่ซึ่งที่เคยแทดเคยอะเลอร่อยของเศษฐิตต่างๆนี่มันมีที่พ้นเนื้อใจของผรูเกื่เคยฝึกทำเพราะมาได้รับการฝึกฝนธรรมาเข้าอกเข้าใจเห็นว่ามันเป็นทวมีไทยอิหลีเข้ากระเริ่มตัดใจว่าจะเลิกสะละเขาเลิกขะละแล้วเข้ากระยอม มีม่านตางลังก่วนแล้วว่าไงดีเทินบอมีเกต้าหน้าวิสิมาหล่อเฮามาแบ่ห่อมาปอเอาเี่ยว้ะอันนี้ได้มานใหม่ใหมาแดงแดงวิเศษอุ้ยปุ้ยเพิ่นมาหล่อเจ้ากับวันเมืองพ้นทุกคนหยาดเชียบวอดวัอหยาดก็เจ้ากับเจ้ามาอดไอ้มานซันนาที่นาเฟื่อยไปแตหิ้วหลได้เจ้าตานาเหลืองไปที่ทางเก่าสิ เขา่าเฮา ห, า ห, หนาจีบมาเกิดเปื้อนป่าเขาคือเหลือจ้ะว่ามีสีมีวั่นได้เจ้าตั้งแต่เจ้าเหลือเจ้าละมันเนี่ยเนี่ยมันเป็นเจ้าสของไฟโดนเกาเนาะผู้ดใดออกมาหล่อแต่เม่มีปะลิญนยากกับลูกใส่หลอดที่ปริญนากของเฮานึ่เกิดจากการปึกเกิดจากคลื่อนแนนิ้วแนหน้างเกิดจากการใช้หูใช้ตาและตาบานีมันเกิมีสองชุดแล้ว อ่าเงื่องเขาเรียกมั่งใช้จัดจุสำหรับเป็นอันนี้เป็นกระบอกเล้ว่าเขาได้มาแจกเมียเสียงสมบัติพรอมเมียคันเคยบอกเรื่องเคยปั้นมีแท่งที่เป็นบอกเรื่องนุพรารแก้วเก่าเนาะดวงแก้วดวงแก้วมีเขาได้แจกเมียแก้วเก่ามีอ่าดวงแก้วก็คือตาได้มาแจกแมีได้มาจากพรอมกัน ให้นิดวงแก้วและอันนั้นม็นบับานนี้สร้างแก้วมาแก้วเพิ่งกับหมายถึงขาสายขาขวาัวคุณนข้างแก้วเพิ่นก็หมายถึงมือสำหรับจีบสำหรับเมีย่ยงเมือ่อใดจสิ่งใดของมาไหวของวิชามตตาผู้นี้เป็นผู้เมี่ยงคุณนข้างแก้วคุณพ้นแก้วเพิ่นหมายถึงอ่าใจผู้เป็นไงนี่ขายยานาพร ขุนพ้นแก้วจ๊กแก้วเพื่อหมายถึงล่อความขุนพ้นสำหรับขี้หนีทุกี้วิสีขั้นคือทายืนทายเดินทายนั่งทายนอนงขี้หนีทุกข์อันดับนี่แจ๊กแก้วนี่จะยาวไหมสร้างแก้วมาแก้วอขุนพ้นแก้วขุนข้างแก้วดวงแก้วนา่งแก้ววันเพื่อหมายถึง ร่างกายนั่งแก้วทาผู้ชายมักนั่งไรย่อมมีของฝากของฝังไปหากันกระบอไปซื้อกูมือเขาจะสั่งอยู่การประคบประงมนั่งแก้วนั่งแก้วหิ้วย่งกระบ่กไห้อดเอาหามาให้กินนั่งแก้วจะใส่ไม่กากะหามอยาจะ ส, ามาสวมใส่ใส่แหวนกะหาม้าให้เลื่อนล่างจะไป เปียนเหมือนนั่งแก้วผู้ใดเอาเนียงได้เนียงมากกวามากกว่า น, ว <c oughs> นั่งแก้วนั่งแก้วนี่ยังคอยบว์วบริยากร่างกายมีวัตถุทอดทิ้งมาถอยมิตรภูหักมึงดูจั๊กจีขั้นขี้นี้ถูกแจงไดโอเข้านั่งยังไงเขาก็ น, นั่งจากคันหนึ่งทีนั่งรถขันนึงที่จกัเกเขาแตว่ารอเขาแปว่ารถนั่งนี้ถกยังมีผู้ใดสะดวกสบายในทานนั่ง นั่นแสดงว่าทุกตามที่คิดังบุท่านแง่อยู่ห่างๆอยู่สันทานนางบุท่นานเกิดขึน้นเจ็บปวดทำง่นใดวันใดเวลาใดแงมใดหน้าที่วินาทีใดชั่วโมงใดเกิด ข, ขึ้นเจ็บปวดขึ้นมากมวยเหมื่อยขึ้นมากมันตึงมันมึนมันจ้าอ่อนเปียกทพลี่ยงขึ้นมากจริงนั่นแสดงว่าโลกของเฮา อ, อ่งง อ, อนพลังลง้มอ่อนพลังล้มทุกตามที่คิดจนถึงตัวเฮา เขลืดลงจากรถขั้นนึงไปนั่งรถขั้นหนึ่งอีกพวกนี้ถุกมีสีขั้นจากทานังไปหาท่ายืนนี่แสดงว่าพ่อได้รับข้อเจ็บปวดในทานังได้รับควอ ม, มึนคว้มเมอยในทานังค้บอินหอยล้อยแล้งในทานังเยื่กินจีนจินมือในทานังเขาลีบลงจากจัก ล, ลือหล่อหรือรถขั้นหนีไปสู้ขั้นหนึ่งอีกไปยืนไปท่ายืนสิท่ายืนก็เป็นรถขั้นนึง พอเขาไปคือรถขั้นนั่นคือเกื่อนขั้ผาสุสดสะดวกสบายพอนไถ่ขั้นตื่นเตียงอีหรีเนี่ยตอนนี้กะรถขั้นนั้นวิ่งยานสุดฝีเท้าฝีจักมันทุกข์ก็ตามว่าท่านตอนแรกวิ่งไปวิ่งมาหน้ามันกระสีเหินเอียงกระสีแหงก็จะละทุกกระสีตามท่านนี่เล็นีน่นทายยืนก็ได้นี่ทันยืนไปยืนมายืนไปยืนมามันปวดมันเมือเอ่อยเกิดเตี้ยนไปเรื่อยๆ เ, ยเ ล, ลว ถ้ายืนถ่าเดินท่านางท่านอนถ้ายืนถ้าเดินท่านางท่นอนายนาเดิทนางทานอนหมื่นหนึ่งเวียนอยู่สิล้มจากรถคันน่งไปคืนรถขันนั้นล้มจากรถขันนั้นไปคืนรถขั้นนู้นล้จากรถขั้นน้นกับไปคืนรถขั้นนู้นไปอย่างนีสิไปเรื่อยๆรถมีอยู่สีขั้นเตียนกันได้มาจากเนี่ยพันยาได้เสือได้ผ่าไปตลาดนี่เท่ากับี่สร้างสร้างแจ้มม้แจมไม้ถึงเท่าใายเท่าขวาพาไปตลาดแต่ีิยใส่ือผ่าพี่แพย์จะได้ผ่า แไปห่อตลาดแล้วไปพบเสียพบผ่าไปคพบเครื่องไปห่อเครื่องยูเครื่องจินเครื่องโคบเครื่องฉันใหญ่ใหญมากเท้าเก่าดวงแจ้วเป็นผู้เลือกเป็นผู้เป้นตาเทานี้เบิ่งก็ผ่าพื้นไหลติดแต่โฮมอุ่นผ่าน้าติดแต่มันเติดแต่ทุนท่านถาวันไอดวงแจ้วเป็นผู้เลือกเป็นผู้เลือก <c oughs> ใจคาชำละละขาาหงไปเลยฉันมากที่คุณ คุณข้องแก้วก็ค่อยๆจะสีเมี่ยนสิเจ็บก็หลังมือ้อคุณข้องแก้วคุณพ้นแก้วมิตรจ้างการอ้าคันเนี่ยตอนการเวลาทีกลับบ้านซะที่กลับในเว่าแก้วนุ่าเก่านีได้มาจากเมียโดยมาจากคอบานนี้ส่วนมากเขาบวศึกษาจะเรียอนอวิธีปฏิบัติต่อมั่นวิธี ป, ปฏิบัติตัวแก้วนี่ก็ โอ้ยเขามาฝึกอยู่เดียนีเขาเกิดิเอาไปปฏิบัติต่อมั่นยางดีเลียเขาเอื่นงมาฝึกสติสติสล้วปชั่งยาบ่แมนพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติบ่แมนเพนบัญญัติแต่งตั้งให้มีให้เกิดจรินควรจริงมันมีแต่ก่อนเพลินบ่ท่านอุบัติขึ้นในโลกคดณแจ้ะหาบ่มีผู้ใดามาค้นพบหาเห็นทั้งท่านที่ของนี่มีอยู่จังสี่เป็นของดังของเดิมคำพีตำํำราอื่นๆกับบ่ท่านเกิด พเพรานมาตัตสัลูเพิ่นกศึกษาจากร่างกายอันกลวงต่อเนี้ยว่านาะคืนนี้น่ะศึกษาไปศึกษามาจนเห็นเหตุเกิดแห่งทุกเนี่ยเขา้าทุกหลายเด้ขันเขาเ่มาศึกษาสี่เขา้าสิบบ่มีวิธีปลดเกือ่อนเขา้าสิบ่มีวิธีแก้ไขอืบานร่างกายของเขา้าจิตใจของเขา้าคือทอดทิมมาตสโดูนีแล้ว ปวดคอปวดเมีมีอยู่ปวกพาสวงใส่มี่ก็มีคือกันบางบ่คอยบึง <c oughs> นี่แหละร่างกายของเฮาเป็นสิ่งหนึ่งที่ชาพุดเฮากําลังเล่นรี่ดคำรับประพฤติินประพฤติถ้ำกับบ่รู้จักตอบคำว่าถ้าประพฤติินประพฤติถ้ำจะว่าประพฤติลงไรแก้ไขหายซวนไรเป็นการแก้ไขให้แก้ตัวเองเป็นการโคดเครื่องให้แก้ตัวเองชัวเว่าแก้ให้แก้ตัวมันจะต้องรู้จัก ฐานตั้งของทุกตะกอนกรรมฐานนี่เนี่ยที่ตั UN. next, ้งของการน้ําที่ตั้งของของทุกที่เท่ิเบิงของสุงที่เท่าติเบิงเท่าบงทุกเท่าเท่าปรเบิงมุ่มเดียวเท่าบินเท่านมุ่มสูงนั่งซึ่งเป็นมุมตรงขามเบิงสูบเบิงสุงถึงในอริยสายเทวนว่าทุกสมุทัยนิโรธมากเท่าสิเบิงตะทุกเท่ากับเบิงมีโรคแจ้งแจ่งแล้วขันเบิงตะทุกกเพทวนบว่าสุบ เ, เพื่อนวาตาูุกเมืองวทุกสมุทัยนี่เลิมากข้ามขีดต่วนเพื่อนบัววสุ่ว่าผู้ศึกษาจะต้องเบิงุกมุ่งยังควรจะเป็นผู้จบปริญญาเขาสั่งเขาจะไปสั้งแมีอารมณ์บอดีอารมณ์สาอารมณ์หมอเขาจะไปสั่งเค็ขคือปวดหาป่าปวดคอปวดแมีเคยหาป่าอยู่ใกลที่แห่งเคยจับป่ายัางไง พวกซืก้อาคิดว่างก็ยัดไปเกลียดคิดวุ่นย่าไปสร้างคิดวุ่นสร้างก่อนขับพ่อแม่หาป่าหากุงหาซิ่วละ่ะหาป่ายัดไปเกลียดยัดไปสร้างน้ำพายล่างมือไปหาป่าถือน้นําควรขีดเอาเจ็บเป็นลิ้วไปร้อยมือก็ได้ข้าวย่างป่าลุดแห้งคุบๆเอาน้ํำคุบน้ำจอบไว้ไปจบถือเหี้อน้ำไต้หน้าหมแห้งเจ็บแห้งแสบเส่งเจ็บเส้นแฉะก็ยัง ก็ยังบริสบลาไปเถอเพราะว่าปลาเจ้าเหือมันเกิอ right? ยู่ใต้เ e หือใต้เพลยอยู่ใต้น้าเมื่อพวกหาปลาจะก็เห็นน้าเป็นของสาคัญได้ปลาก็ได้ย้อนเหือยย้อนเยมื่อบ่มีเหือบ่มีเพลยใต้น้ำก็หาฟันล้มเอเขาเอื้นเหาะเขาเอื้อนกรรก็สิไปหาจินอยู่ใต้เหือใต้เพอยอีกล่ะพวกท่านกินว่างก็จะจะไปั่านินวุ่นไงจะไปสั้างอารมณ์คุณอารมณ์มั่วเหาได้ประโยชน์จากควคุณมั่วเพราะวัตถุเป็นที่มาของปัญญาซึ่ง ทุกเป็นที่มาของปัญญาไม่มีทุกไปเกิดปัญญาต่อดูการแก้ปมเชื่อกตรงไหนไม่มีปมก็ไม่ไปเห็นให้คิดแก้ถ้ามันโปรมันโบขอดมันบน บ, นบหนุงเท่าสิไปแก้มันที่อย่างเท่าก็ได้ขั้วกีฬาแจากของมุนีเยอะพญาธรรมสามุนตีคือเงี่ยบว่ากีฬากีลาเป็นยาวิเศษแก้กองวิแก้กองม ก, กงิเลสทําคนให้เป็นคนผลของการฝึกตนเล่นจรรยเล่นกีฬ า, าสายคนตะล่าห ร, าหราว่า เล่นกีฬากับเพื่อฝึกนี่ตีกันขากันใ น, ในสนามกีฬาเมื่อกับบอลแมนเล่นเรือจิดว่างแล้วกูสิเอาอย่างเดียวกูสิกลัสิกล้าย่างเดียวแท่นที่จะเต๊ลูกฟุบอลว่าแมนไปเต๊ส่วนข้างเขาคุณเมื่อกพิดแล้วเนี่ยนะอันนี้แท่นที่สิขายกีลาบอลแมนไะขาลูกประถมนะเจนิเกวาสิขาลูกประถม มันเห็นหลายแล้วนักปฏิบัติขาลูปกระท่เวลานั่งอาจารย์ก็มาทานเกิดวสืลูปสีลูกหาอาจารย์มันมันโมมันจะอาจารย์เว่าใครๆกับเพื่อนเนี่ยมันหัวมันกับหัวตลังแปีลูกสีสีงูมันมามันมาแต่อาจารย์งูอาจารย์ท่างูเขาสีขาเขากับขาดแต่เรี่งตังหานี่ไปปั่มเครื่นไม่เงี้นะมันกับพเขาทาเขารักษาโรคเขาเขารักษาคนเจ็บไข้เด้อดป่วยเขาก้จีนยารักษาตโลู นี่ตายทึ้งล่างทึ้งโลกคือบกข้าทาแล้วตายทึ้งขนตายทึ้งพะยาบบกข้าทานี่ยังสิขายกิเลสขึ้นเอนัางยู่หันละเจ้าอย่าทิ้งริงตัวมันปวดมันเมื้อกับบริกรรมไหวว่าปวดเนอปวดเนออแยกขยับขยเยินได้เจ้าอย่าเปลี่ยนทาเปลี่ยนที่แยกกระดีพิกทิ้งเดิกจนกว่าสิถึงม่วงหรือม่วงสามสิบโอ้ยดันลมดันตายผู้เดาจนถึงม่วงสามสิบ จับว่าหเมื่อย่านี่มันจะว่าไม่เอียงจริงไงหลังเผื่อโรคกรลุกบ่เลแต่งเข้าบนนั่งโดดปเนมันกรลุกบ่ไลเกลี่ยกิ่นขากินจีนเล ย, เจจเลยนั่นขากระขาเต้กิเลสนี่เกิดแค่มัตสิตายเทื้งล่างเดียวหนีมันคลายกับว่ายิ่งอยู่ต้วนม้นไงตันั้นละที่ขายริ่งผ่านเทืงไหม่เท้งริ่งนั่นงตาย่าเทงหม่เทงริ่งีงตายเทืงค้วนเทงกิเลสเิ็นอามาผ่าใส่เครื่องสวยแล้วนี่เคมบ่อลาหนี่ละ เขมาปลูกอยูน่นี่ได้รับยาคุ้มกำเนิดผัวเมียไงผัวพ่อยังก็ได้รับกระทรวงสาธารณสก็ได้รับยาคุมกำเนิด อ, อันนี้เป็นของภาษาสดาเป็นยาขนานดั้งเดิม น, นี่ประทธพม า, าขึ้นเกาะประเทศเ ก, กินเขาบ่รู้จักยาคุมกำเนิดเดียนี้ประเทศอื่นเขาแจกชาไล กาว่าจะสิโะปัญญาเกิดจากท่านสุตมะยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจินตมะยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดโลกประเทศอื่นาศาสนาอื่นละเทศอื่นเขาเก่งบ้านห้องเมืองห้องไปท่านปัญญาจนหอดไปเมืองหอกชวนพาวน่ามายาปัญญาเขาสิกลับมาท่านแจกเมืองห้องอดินประเทศจีนเกิดปัญหาเลยดิเดียเขาบอกว่าจั ก, กรพรรดิเกิดในเมืองจีนถึงสี่ร้อยกัวลาง อ่านเบิ้งไปอ่านเบิงมากบรู้จักจากภาจิตหลวงพอไปสนใจในหนังสือของน้าแขกประเวศกสีจัไม่คิดว่าโอ้ชาพูดไทยห้อนี้มันนี่ธรรมะกะโชคดีเนี่ย โ, ยโชคดีก็ประเทศอื่นที่ศาสนาพูดถึงครทุกครูอยากเชียงบายเชียงไรไมันจะมาจะผ่าใดเท่าไดรมั่งของคนจีนเป็นยังสี่เธอมีไงคนจีนเดียวนี่ประเทศจีนเป็นประเทศไงประชากรล้นโลกเรียบหลายกว่าทุก ป, ประเทศประชากรของเขามานก แทนดินกินเขาเออแทนดินไงเห็นว่าคนมันหล่นโลกคนมันหล่นโลกเกิดซ้ำกันซ้ำกันกับสมัยจอมพลปอละผู้ใดมีลูกสิบจีสิบห้าคนพอแม่ได้รับรางวัลบาดเดียวนี้บ่าหาให้คุ้มกําเหนือใบยันไปแชากวาล่นโลกที่ดินสิบบ่มี่แดงหมี่หายยู่เฮตยู่ให้ห ต, หตินพ่อเพี้ยงแล้วคุ้มกําเหนือผลของการคุ้มกําเนือของอคนไทยเฮ้า ก็เพราท่านทนายพระว่าห้ามมีาศาสนาพุทธไม่ให้เงียบชิตไม่ให้รักปัญญาไวประเทศจิงไปเจ้าสีบ่บานวิญญาแพทย์เขาจะเลื่อนเขาคุ้มกมันหนึ่ผู้หญิงเดียวหนีผู้หญิงคนนึงมีลูกคนเดียวได้อ้เลีเนยเลือกเอามีลูกผู้เดียวควนเท่าขันเมื่อคันพอ่อใดแม่ใดมีลูกผู้เดียวฮักซุดฮักซุดหดงวงถนุทะน้อมหลายลูกผู้เดียวนี้บ่เคย เฉลี่ยเฉลี่อเกือบย์ของอยู่ของจีนของโคบของฉันพลละหมากราไมแห่พื่นของเหล่จเจสิบุคเคส่งคออนุคอพื้นลูกผู้เดียวเกิดมาเพื่อรับบริการผู้นั้นก็เอาอนันมาให้ผู้นี้ก็เอาอันนี้มาให้มีแต่คนเอาปกเอาใจบ้านเกิดมารับบริการนี่ล่ะเพท่านคิว่าเป็นพระจักรพรรดิแล้วรับบริการเอาเพราะเอาแม่เป็นเพื่อนเล่นไปเล่นกับคนเพื่อนอื่นก็เป็น ลูก ท, ที่บ่มีน้องมีนุ่งเกิดร่วมมากเพียงแค่สั้สนในมากจะเกิดเป็นปัญหาทางสังคมบัณคนจีนบริจักเ อ, อื้อเฟื้อชพื่อเหลือกันบ่คือไทยไทยเข้าบริจักเ อ, อื้อเฟือ้อเกี่ยวกานสงฆ์ฆาตอนุเคราตเบื่อเครื่องพบเครื่องชั้นผ่านุ่งผ่าทีเครื่องใช้ไม่สวยต่างๆเป็นคนจีนบ่มีเนี่ยปัญหาของเขาเขาเอื่นไว้จะกระพาเกิดในแผ่นดินจีนเป็นปัญหาทางสังคมของคนไทยแม่แม่บริจาค บ่ลลูจักรือท่าม่านะานะว่าขอท่านขอนักซีไว้จะไหนเนาะลักษณะของคนพูนไรจะลูกจักรตอบุญแท้คุนเมื่อนั่นผู้น้องได้รับกินได้รับสนมจากอ้ายสมวเขาผัวเขามันหนี้ลูกสองสามคนสีคนเนาะผู้แม่กับพ่อเคยตายเคยเจือนเคยเห็นลูกผู้ไอ้ผู้พี่ผู้น้องผู้นุ่งของเขาสงเคราะห์เนี้ยยูแนียกินแนี้ยขวดนี้ฉันเครื่องใช้เมตสอยต่างๆ ให้พี่รูกจักรสงของนองให้นหั่งลูกจักตอบบุญแท่งขุณบ้องจักรคำว่ากระตันยูซื้อธรรมะซื้อกระตันยูคำว่าแท่บุญแท่งขุณกันบุญจักแม่กับบอกเป็นการสอนธรรมะในภาคปฏิบัติโดยพฤติไนถ้ า, ามือว่านีพี่ได้ได้ให้ขนมแก่นอนไม่มีน้องได้ขนมมากายผู้ใดผู้หนึ่ง่ะเขาฝากมากเพราะนั่งได้ขนมมาก ผ so ู้พี so them, example, kind of so ่ขอกินสีบ่วไฮแม่กระบอกเออไหไอแม่แหมหมูอ้านอยังแบงไฮเจ้าเดียมื่อเมื่อนามื่อหลังหาไอได้เนแม่อยู่แนีกินเขาสิบ่วแบงไฮเด็กส่งบ่วแบงให้เขาหมู่บ้านเขาแบงให้ห้องมือห้องก็แบงให้เขาไว้ทั้งนี้กับนา่งกับคิดเห็นนีกดูเจนบุญเหคุณที่เ็นไอผู้เป็นาอเป็นพีก็แบงแนีอยู่แนีกินเนี้ยโนี้านใหม่ ผู้นั่งก็อยากตอบบุญแทนคุณตั้งแหน่วตั้งพอว่ามี่หลักสมคออนุเครอของคนไทยมี่อยู่ท่าผู้ใดมี่ลูกผู้เดียวนั่นที่เป็นแจกภัทรในตระกูล <c oughs> เกิดมาแล้วเพื่อรับบริการจากสังคมอย่างเดียวธรรมะเฮาขึ้นกัน้างเฮาใดธรรมะฉลาดรู้จักกดเตืองรู้จักแก้ไข <c oughs> เฮากับไปสมคออนุเคราะหมู่เนี่ยแหละ่าไปกี่ที่ การให้ท่านเป็นท่านเพราะว่าชนะการให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาลีเขารับเรื่องว่าสัพพทานังธรรมทานังขินาจิตัวมีให้ท่านเป็นท่านโดยการพูดการคุยก็ได้การเท่าบะมีปฏิภาส ก, การเท่าบะมีวัวหานเท่ากับโดยการยึดให้ดูอยู่ให้เห็นให้ผู้อื่นที่เขาบ่มาเขาพฤ่งธรรมะห่วมกันกับเท่าขงังมีพอได้แม่ได้เพิ่นบ่ท่านมากเพิ่นตกลงโปรงใจบ่ได้ตาชินใจเงี้ยบ่ได้ จะว่าไพ่ยังไดไม่โยมไมาโย่มือคือฝนพือแอนโทรกับเบิร์กยากมงยไปเฮ้าเอียงเฮ้ากับขี้เห็นว่าตาจิงใจเทนําท่านตามยากเลี่ยเลีเพิ่นกับขี้กันกับเฮ้าเฮ้ากับขี้กันกับเพิ่นเพราะว่าร่างกายของเพิ่นกับร่างกายของเฮ้ากับต่างกันสร้างรวยวัตถุธาตุอันเดียวกันร่างกายของเฮากับมิถัดดินมิถัดน้ามิถัดไฟธาตุลมของเพิ่นกับอันเดียวกับเฮ้าเสียว่ามันต่างอยู่ที่จิตที่ใจได้รับการทุกผลมาบอบอขึ้นกันบานที่เพิ่นติดฟึก ท่ามากรรมฐานมาจากสานอื so ่นผูกขาดทิ้นอาจารย์ของเจ้าของดีก็เจ้าอาจารย์ของผูกอื่นสำนักของเฮาดีกาสำนักของผู้อื่นจะสี่เข่าขังเจ้าของเบื่นี่เปิดเลยนกันสินใจโตล้มปวงใจเฮากับเฮาบ่ได้เบิ่งตกวันขร้นจริงหลวงพ่อว่าจำนาได้กระทางหลวงพอบัวเมีนว่าบ่เคยฝึกเคยฝึกมาแล้วบ่เลื่อนบ่ละดอกมากลายคือเก่าย่าสูบหลายคือเก่าบ่เลื่บ่ละ ดังนั้นอยากให้ห้องมีจุดเด่นต่างจากสมัยอื่นต่างจากกลุ่มปฏิบัติธรรมกลุ่มอื่นให้พอหันแม่ต้องคิตใจเข้มแข็งมากเนี่ยสติสัมปชัญญะอย่าห่างเหินจากห้องพ่อลูกถ้าเห็นเวลาเคลื่อนเคลื่อนไว้เปลี่ยนอีบวเปลี่ยนถาเปลี่ยนที่ถ้ายืนถ้าเดินท่านางท้านอนเป็นพาจอดของเลือกเลือกคือคืออัตภาพเลือดคือร่างกาย อันเลือกกะเลือกกะสวยเลือกเก่ียวเลือกผายี่จากยุซี่เพิ่งกะมีทาเพิ่งกัมี่ห้าบันไดสำหรับผูกผูกไว้ย่าให้ถือกระแสนนําอันเชี่ยวไหลไปพัดผ้าไปเพิ่งยันไม่นหนีตํนแนยงยันไปง่นไปทราบหางพเห็นหางเลือดสางโดยไม่แจ้งนันเป็นเลือดจมหนังเพิ่งผูกเพิ่งมัดไว้เลือกเอออกลียวตะข่ายเท่ากับเอา พออันมันมันขื้นสตีสัมปชัญญะผูกไว้มัดไว้แยกลุดไปขั้นเพื่อขั่นเพื่อยห้เท่าอื่นแยกเสื่อเพื่อเรื่องเสื่อตภาพรักษาเรื่องให้มันเต่งขันมันหัวเท่ากับปิดเท่ากับหยามันเรื่องเสืออัตาผาดรักษาให้มั่นมันให้มันคงเรื่อเพื่ออัตาผาพนี่จะได้ยื้เป็นห้มเป็นโพให้แกลูกแก่เต่าให้ปกปักรักษาดูแลคุมค้องให้เขาเกิดความอบอุ่นภายในครอบภายในครัวให้พ่อให้แมีที่มาประพฤติปฏิบัติท่ามวมกันได้เป็นพระประจำตระกูล แยกเขาถอดถิมเมื่อไรเขาบ ร, ริเลมรัดเมื่อไรเขาบริเลมทรงเท่นทรงจั๋งหันพระทรงซามเน่ก็แยกเขาถิมพอถิมแม่ซึ่งเป็นพระประจยมสกูลถ้าฝึกฝนธรรมาเข้ามาเลียนรู้ธรรมมาเข้าจะต้องเห็นหนา้าเห็นตาของเจ้าของหน้าตาของเข้าเดี๋ยวนี้มันมีสีหนา้าในฐานะที่เข้าเป็นพระพุทธให้จะต้องรู้จากหน้าของเข้าแผ่นค้นบริจาคหน้าของเจ้า ข, ของไปเห็นได้นหน้าเนือ้อไปต่